จงฟังใจฟังให้ดีอัตมาจะได้นฟังความชั่วเมื่อเกิดขึ้นย็อมนำบุคคลไปสู่ภูมันต่ำสิ่งที่ว่าการที่คนทั้งหลายผู้ประมาทแล้ว ย่อมทำชั่วให้กับตนเองไม่คิดถึงผลอันร้ายแรงของความชั่วนั้นท่านเรียกว่าทำทุจริตทำทุจริตนั้นทำเมื่อเราทำทุจริตลงไปบาปอากุศลหรืยว่าทุจริตนั้นก็ย่อมตามเผาผาน ให้เป็นคนตกต่ำไม่เจริญก้าวหน้าพุทธิผทางกายพุทธิผทางวาจาพุทธิผทางใจกายวาจาใจของเราเนี่ยถ้าเราทำความชั่ว ความชั่วก็เกิดขึ้นแก่เราทำมากก็เกิดขึ้นมากทำน้อยก็เกิดขึ้นน้อยไม่ทำจึงไม่ชัว่วแต่ถ้าทำชั่วแล้วโดยมากก็ตมตกต่ำต้อมได้รับความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็น ที่จะต้องละเว้นหรือเลิกมองหาโทษให้เห็นโทษของมันโทษของความชั่วนี่มันเดือดร้อนจริงๆเดือดร้อนให้กับตัวเรานี่เองเราทำสิ่งใดไว้สิ่งนั้นย่อมเกิดกับผู้นั้น เราทำชั่วไว้ความชั่วก็เกิดขึ้นกับเราให้ผลแก่เราให้เรามีความทุกข์ให้เรามีความเดือดร้อนให้เราลำบากทั้งกลางกายทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทั้งทางใจท่านเรียกว่าทุจริตคือความชั่วยอมให้ผลเหมือนกับ หมามุยในหน้าร้อนนี่เดือนสามเดือนสี่หมามุยนี่มันจะแก่ขนมันนี่คันมากเลยผลขนของหมามุยนี่ถูเสื้อถูผ้าใครก็นุ่งไม่ได้เลยเสื้อผ้านอือจะไปทำยังไงก็ไม่หายต้องหาสายมา ขัดมันถึงหมดไปเปรียบด้วยกับความทุจริตคือความชั่วทางกายฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดถิ่มิจฉาจาร์ความชั่วทางกายนี่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อเกิดขึ้นแก่เราย่อมส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่เรา เราจะแก้ยังไงถึงจะหายก็ทํากายสุจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผู้พิดมิตรฉาจาร์เมื่อเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผู้พิจมิจรฉาจาร์บาปอกุศลเหล่านั้นก็เกิดขึ้นแก่เราไม่ได้บาปอกุศลนั้นน่ะเกิดขึ้นแก่เราไม่ได้เพราะเราไม่ทําเราไม่สนใจเราไม่ใส่ใจ เราเห็นเราเป็นโทษเห็นเราเป็นทุกข์เห็นเราเป็นความเดือดร้อนต่อเราเองเราไม่ทำเมื่อเราไม่ทำความเดือดร้อนก็ไม่เกิดขึ้นความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นแก่เราซึ่งเราควรจะไปอบายอภูมิเราก็ไม่ได้ไปเพราะอะไรเพราะว่าเราทำสุจริตเราไม่ทำทุจริต ส, สุจริตคือความดี ความประพฤติดีทุจริตคือความประพฤติ ช, ชั่วเนี่ยถ้าเราประพฤติดีก็ยอมเป็นความสุขความเจริญแก่เราเราทำอย่างไรก็มีความสุขอยู่อย่างไงก็มีความสุขนอนอยู่ก็มีความสุขนั่งอยู่ก็มีความสุขเดินอยู่ก็มีความสุขทำอะไรอะไรอยู่ก็มีไม่มีก็มีความสุขทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่า เหมือนหมามุยนีย่มันไม่ได้มาถูกเรามันถูกคนอื่นไนยไม่ถูกเราก็ไม่คันและไม่เดือดร้อ น, นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความเดือดร้อนที่ร้ายแรงกว่าที่เปรียบเทียบให้ฟังนี่มันไม่ใช่ร้อนแบบคันคลายแค้น มันลงไปไม่ในอวัยวะภูมินาะน่ะการฆ่าสัตว์นี่ฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าหมูฆ่าม้าฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าคนฆ่าบีดามารดาโอ้ยบาปอกุศลเลาวนี่ททำให้ตกต่ำอย่างมากเลยการฆ่าเนี่ยทำให้คนตกต่ำ มีผู้เดียวเท่านั้นแหะฆ่าแล้วไม่ถูกต่ำคือโจรลงคุริมานฆ่าคนเยอะเป็นพันๆแต่ว่าไม่ถูกต่ำเพราะอะไรจึงไม่ถูกต่ำเพราะได้พบกัลยาณมิตรคือได้พบคนดีได้มิตร ด, ดีได้พระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตร ได้พุรธเจ้าเป็นผู้สั่งสอนอบรมเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทของพรธเจ้าละเลิกการทำชั่วนั้นเสียมสมัาหยุดก่อนสมณาหยุดก่อนจนโคลิมานว่าพระพุทธเจ้าว่าเราหยุดแล้วแต่เธอสียยังไม่หยุดงนั้นหยุดหยุดทำไมวิ่งไปอยู่ยังเดินไปอยู่เราหยุดทำความชั่ว แต่เธอไม่หยุดทำความชั่วอโอ้คำนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเมื่อไม่ได้ยินมาก่อนมันก็เกิดความสะดุดใจกิดเออจริงท่านหยุดฆ่าท่านวางสาัตตาอาวุธแต่เรานี่ยังฆ่าอยู่สำนึกได้ทันทีละเลิกไม่กระทำความชั่วนั้นต่อไป ขอบวชในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมอยู่ไม่นานได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์พระเจ้าอโศกราชว่าจะไปเตรียมพ ล, ลจะไปจับจะไป จ, จับจนองค์คุลิมานแต่ว่าก็กลัวโจนองคุลิมานอยู่ถึง แ, แวะเข้าไปหาพระพุทธเจ้าก่อนก่อนจะไปคล้ายๆบอกพระพุทธเจ้าทักยังไงก็จะทำอย่างนั้นถ้าให้ควรไปก็จะไม่ไป เร่กลัวโจรองโคลิมานเหมือนกันพ่เก่งมากเน๊โจรองโคลิมานเะน่ยเก่งเต็มที่เต็มทางเลยแหละแน่นอนเลยใครๆก็กลัวทั้งนั้นพอไปเห็นว่า <c oughs> จะไปไหนจะเสด็จไปไหนว่าเสด็จไปจับโจรจะไปจับโจรองค์กุลิมาน พระพุทธเจ้าว่าถ้าโจรโคุลิมานอยู่ที่นี่พระองค์จะทํำยังไงมาบวชอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าก็ชี้ให้เห็นให้ดูชัวชี้ see, ให้ดูนั่นคือโจรโคลิมาณจจรโคุลิมา น, น, มานสะดุ้งเลยแต่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลขอเป็นอุปถากออุปถากจจรโคุลิมาน อันนั้ น, นทำชั่วอยู่แต่ได้ไปสวรรค์แล้โอได้ไปนิพพานได้ไปนิพพานทําชั่วอยู่ก็ได้ไปพระนิพพานทําไมถึงได้ไปเพราะละความชั่วอนนั้นเสียไม่ทําอีกเท่านั้นเองถ้าเราไม่ทําอีกในสิ่งที่เราว่าชั่วแล้วทุกมันจะเกิดขึ้นได้ยังไง มันก็เหมือนตารยอดด้วนเหมือนทุกๆต่อไปอีกไม่ได้ให้ผลต่อไปอีกไม่ได้เพราะเราไม่ทำไม่ทำสิ่งที่ชั่วสิ่งนี้มันเป็นความชั่วเราก็ไม่ทำเราเลิกไม่ว่าที่ไห น, ไ, หนไม่ว่าเรื่องอะไรเราเลิกเราไม่ทำในทางที่ชั่วเนี่ยฆ่าสัตว์เราก็ไม่ฆ่า เมื่อเราไม่ฆ่าบาปเราก็ไม่มีรมชั่วเราก็ไม่มีไม่ลักทรัพย์คือไม่ลักเอาสิ่งของของคนอื่นที่เขาไม่ให้ถ้าเราไม่ลักมาก็ไม่ลักขโมยของเขาก็ดีเสถียโทษกรรมมันมีนะ คนที่ขโมยของห้องคนอื่นนี่ไปอยู่ที่ไหนมีอะไรเขาก็ไปลักเอาโทษบาปกรรมมันนี่นี่เสษบาปเศีกรรมหรอกแต่กรรมจริงๆต้องไปนรกต้องตัวนรกถ้าเราลักทรัพย์นี่ลักเอาสิ่งเอาของห้องคนอื่นนั่น บาปอกุศลเหล่านั้นก็ย่อมเกิดขึ้นแก่เขามากมายจนถึงกับลงไปไหมในมหารนรกนรกก็มีจริงอยู่ไม่ใช่ไม่มีจริงไม่ใช่ว่าเป็นเพียงการพูดนั้นเฉยๆไม่ใช่ว่ามีการพูดแบบชนิดที่ว่าให้กลัวให้ เอามาขูมาขนาบไม่ใช่นรกมันมีอยู่จริงจริงนรกเลยนะมีกี่ขุมกี่ขุมนั่นก็มีอยู่จริงพระพุทธเจ้าเป็นคนตัดเรื่องนี้ตัดแสดงมหาทุก ข, ข์ันลสูตรนั่นเทวทูตสูตร น, นันเรื่องนรกสวรรค์นนะพระพุทธเจ้าทรงตัด ว่ามีอยู่จริงไม่ใช่เทพเทพวดา ห, หรือว่าคนอื่นมาบอกเราว่ามีจริงอย่างนั้นระพุทธเจ้าพงศ์เราเห็นอยู่ด้วยตัวของเราเองเราเห็นอยู่เราเห็นชัดๆี่แหละในขณะที่เรานั่งอยู่ที่นี่แหละเราเห็นนรกมีจริงทางไปนรกก็มีจริง ก็คือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดมิจฉาจาร์เนี่ยทางไปนรกลเลยนี่ใครอยากไปนรกไปทางนี้อให้ไปทางนี้ถ้าคนอยากไปนรกให้ฆ่าสัตว์ให้รักทรัพย์ให้ประพฤติผิดมิจฉาจาร์นั่นคือทําล่วงเกินลูกเมียของคนอื่นหรือว่าอะไรอ่ะ กิ๊กกก๊อกอะไร น, ะน่ะอ่ะล่ะมีแต่ไม่ดีทั้งนั้นเละสิ่งเหล่านี่ไม่ว่ากิ๊กว่ากักอะไรละอืมไม่ดีพอใครประพึติเข้าก็ทําเข้าก็เดือดร้อนน่ะตายไปตัวน้อโรคน่ะมีชีวิตอยู่ก็ลําบากน่ะเดือดร้อนอยู่ตลอดตายแล้วยังได้รับความเดือดร้อนมากมาย ในนรกนะี่อันนี้คือทางไปนรกใครอยากไปทางนกรกให้ไปทางนี้ทางวาจาล่ะเป็นยังไงนอกกทางไปนรกทางกายแล้วทางวาจาเป็นยังไงทางวาจาก็คือพูดโกหกหลอกลวงคนอื่นในเรื่องที่ไม่จริงเรื่องที่ไม่จริง หลอกลวงเรียกว่าโกหกคือหลอกลวงหลอกลวงเพื่ออะไรอะ่ะหลอกลวงในทางชั่วหรือขอยืมเงินหน่อยสักห้าพันเนี่ยมีความจะเป็นมากๆวันนี้ พอได้ยืมแล้วก็สามเดือนก็ไม่เอามาส่งจนในที่สุดเราเองต้องไปออกปากว่าเงินที่ให้สามพันนั่นห้าพันนั่นเอาไปซะนะเราให้นั่นเรากลั ว, วเขาจะไปตรรโกโรกเราก็ให้ที่เขาว่ายืมเราก็สละให้เขานี่กลั ว, วเขาไปตรรกนรก แค่ที่จริงก็คือมาหลอกลวงเราเนี่ยหลอกเอาหลอกเอาของเราไปนี่มันเป็นอย่างนี้โกหกโกหกหลอกลวงพูดคำหยาบคำหยาบหมูคนเลยพูดเพลเจอ พูดเลียวไหลความชั่วทางวาจาความชั่วทางวาจามีหนึ่งโกหกสองพูดคำหยาบสามพูดเพอเจอ้อสี่พูดเลียวไหลเลอะเทอะ ไปอย่างนั้นเถอะนี่แหละเป็นทางไปสู่นรกอันนี้ใครอยากไปนรกให้ไปทางนี้ให้ไปทางที่ว่านี่แหละถ้าอยากไปนรกให้ไปทางนี้อย่าไปทางอื่นให้ประพฤติให้เต็มที่เต็มอัตตาศึกเลยได้ไปนรกจริงๆ นี่ไปนรกทางวาจามีอยู่4ีแบบสี่ชนิดนรกทางใจแบบนี้ใจโลภอยากได้ของเขาคิดโลภอยากได้ของเขาคิดพระยาบาทปองลายเขาคิดเห็นผิดจากทำนองของธรรมนั่นอันนี้ก็เป็นไงอ่ะว่าพฤชเนี่ย โทษไม่ถูกทางคือคิดไม่ดีนี่คิดอะไรก็ตามถ้าเรื่องไม่ดีที่ก่อโทษก่อทุกข์ให้สิ่งเหล่านี้ต้องพากันเลิกกันละอย่าคิดความคิดนี่แหละเป็นหลักมันถึงมาวาจามันถึงมากายความคิดไม่ดีนั่นแหละ ความคิดพยาบาทวองร้ายเขาความคิดโลภอยากได้ของเขาคิดหลอกลวงคนอื่นคิดคิดทำไม่ดีทั้งหลายแหละจะไล่อาการมันโอ้มันเดือแย่แต่คือความไม่ดีทางใจนะ่ะใจมันคิดไม่ดีใจมันคิดหยาบใจมันคิดชั่วใจมันคิดเป็นอกุศล ใจมันคิดไม่ดีด้วยประการต่างๆนี่ใจนี่สำคัญสำคัญมากๆจริงๆเลยเราจะทำอะไรก็ตามท่าใจเราถ้าใจเราไม่ดีแล้วนะการกระทำคำพูดและความคิดมันก็ไม่ดีตามด้วยมันเป็นอย่างนั้นท่านจึงให้เลิกให้ละบาปอกุศลหรือกรรมชั่วเหล่านี้ ให้พลเป็นถูกใครใครอยากไปนรกทางใจก็ให้คิดชั่วคิดแต่ทางที่ชั่วคิดทางหยาบทางไม่ดีต่างๆอันละ่ะโอกาสที่เราจะไปสู่ภูมิอันชักเนี่ยมีแน่นอน1้อยเอร์เซนเลยใครคิดฆ่าพ่อฆ่าแม่คิดทำบาปทำกรรมนั่นนี่คิดวางแผนป้นจี้อะไรต่างๆาคิด ไม่ดีทั้งพวงแหละคิดเบียดเบียนคนอื่นโอ้ยสารพัดเลยนี่แหละมันเป็นโทษมันเป็นโทษมันเป็นบาปมันเป็นอกุศลอย่าทำแม้คิดก็อย่าคิดเมื่อคิดไม่ดีการกระทำมันก็ไม่ดีการพูดมันก็ไม่ดมีมันมาจากที่ใจก่อน ใจของเรานี่แหละถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วไม่คิดผิดศีลเลยศีล ส, สมบูรณ์เลยพระโสดาบันพระโสดาบันศีล ส, ส, สมบูรณ์ไม่คิดไม่คิดจากฆ่าสัตว์ไม่คิดจากลักทรัพย์ไม่คิดอยากว่ามพืดพิจารย์ไม่คิ ด, กกคดโกหกหลอกลวงเขาอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นพูดง่ายๆว่าทุุทจริตสาม พระอริยบุคคลโสดาบันนี่ไม่ทําไม่กระทาพระอริยบุคคลโสดาบันไม่กระทาเลยไม่ประพฤติเลยในทางชั่วเหล่านี้ถ้านึกว่าพระโสดาบันมีศีลสมบูรณ์นะเน่ยศีลสมบูรณ์ก็คือสุจริตทุจริตพวกนี้แหละทั้งสุจริตความดี ความพืชดีก็ดีสมบูรณ์ทางชั่วก็เลิกละไม่ทำอีกต่อไปนั่นไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามถ้ามีคนประพืชไม่มีศีลไม่มีธรรมนี่ไม่อยากอยู่ด้วยหรอก บางแห่งนอ้ยพระสงกองค์เจ้าท่านเอาหม้อแปลงไฟมาติดตั้งยังไม่ถึงสามเดือนเลยแค่เดือนเดียวท่านเองพระก็ภาวนาอยู่ขโมยก็มาตัดเอาเลยตัดเอหม้อแปลงไฟนอ้ยพระกับพระอยู่องค์เดียวเลย ขโมยมันเก่งมากมันมันชั่วมากจริงๆเลยมันไม่รู้จักว่ามีโทษมีกรรมอะไรนี่แหละเป็นอย่างนี้น่าสรดสังเวชนะไม่ใช่ธรรมดานะไม่เกิดขึ้นแก่ใครไม่รู้สึกหรอกนี่มันเกิดขึ้นอืมพระสงฆ์ท่านต่อไฟเข้าวัดยังไม่ถึงสามเดือนเขามาลักเอาหมอปแปลงล่ะ โมเพลงใหญ่ๆนะโพลงเป็นเท่ากับของวัดเราเนี่ยรักเอาไปเลยมาตัดมาแล้วออกไปเลยไฟยก็ดับปุ๊บทันทีตัดผ้าเขาเห็นท่าไม่ดีแต่เขาเลาะหาผ้ามาเนี่ยพอเข้าไปยืนหลบอยู่ในป่านันนี่แหละต่อสู้จริงๆว่าอดทนจริงรอดตายามานีมันเป็นอย่างนี้แหละอยู่ในสถานที่เป็นอัปมงคล คือที่ที่จะไม่ให้มรขนเกิดขึ้นไม่ได้หรอกที่อย่างนั้นเพราะมันเต็มไปได้วยความเรียวร่ายเขาเจาะยาพิษใส่ให้กินวันไหนก็ทำได้ถ้ามีเงินมีทองก็ระวังยากว่านี่มีสิ่งมีของอย่างไฟนี่ตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดอีก แต่ไม่ใช่หมายถึงวัดเรานะว่าอื่นๆนะบางวัดนะเขาต่อไฟเป็นทองแดงตกกลงคืนมาสามทุ่มสีทุ่มนี่มาตัดเอาแหละตัดเอาสายไฟทองแดงนะสายใหญ่ที่เขเดินมาจากเมรุใหญ่เข้าวัดนะหมอ้อแปลงก็ลักเอาสายไฟก็ลักเอาเอาหมด โอ้ยไม่รู้จักบาปบุญคนโทษเขาเรียกว่าไม่รู้จักดีจกชั่วเอามาต่ออีกอามาอีกอ ม, มาที่หลังนี่ไม่เอาสายทองแดงได้ไหม อ, อ, อันที่ขั้งที่สามเนี่ยเอาสายอลูมิเนีย ม, มเป็นยังไงล่ะตัดแล้วเห็นว่าไม่เป็ี่ยนทอง ทองแดงไม่เอาเลยทิ้งเลยเนี่ยหากินไม่ชอบทมเป็นคนประพฤติตัวที่เป็นภัยแก่สังคมถ้าเป็นสมัยเผด็จการเนี่ยคอขาดเลยคนแบบนี้ตายเรียบเลยมันร้ายแรงมากมันน่าเกลียดที่สุดเลย นี่แหละคนไม่รู้จักโทษจากบาปจากกรรมไม่รู้ดีรู้ชั่วเขาไม่ได้คิดเหมือนเรานะเขาไม่ได้คิดว่าบาปว่าบุญนะอืไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญหรอกไม่รู้จกักโทษจริตสุจริตหรอกไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าทำยังไงถึงจะได้ทำยังไงถึงจะมีทำยังไงถึงจะเอาได้ รักได้ตัดได้เวลาไหนสังเกตการสังเกตการไปมาหลายครั้งหลายหนแน่ใจแล้วเขาก็ทำบางทีเราเสี่ยงความเป็นความตายกินนะเวลาเขาทำถ้าเราไปเจอดิเราข้อขาดเลยเจอเขากำลังรักกังขโมยอยู่คอเราเนี่ขาดแน่นอนนี่แหละเขาจะต้องฆ่าบุตีเป็นเจ้าของ แต่เราไม่เจออาจจะเป็นเทพเทวดาปกปิดไฟหรือว่าให้มันสินสนรรส้นบาปสิ้นกรรมเศษบาปเศษกรรมแต่พบในชาติไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าไม่เป็นเศษบาศเศษกรรมคงเขามาสร้างกรรมกับเรานั่นแหละแต่พวกเราไม่ไมไม่ไปหรอกทางนั้นน่ะอันนี้ธรรมาพูดข้างนอกให้ฟังให้ฟังเพียงนิดหน่อยเท่านั้นแหละถ้าในที่นี่เนี่ย เราเผอนิดเดียวก็รักเอาแล้วเดี๋ยวลักเอานั้นเดี๋ยวักเอานี่กระเป๋าเงินหรือไฟฉายหรือเครื่องใช้อะไรต่างๆเนี่ยเราเผื่อไม่ได้เลยลักเอาเลยอย่างนี้เราจะอยู่ได้ไหมเราอยู่ไม่ได้เราอยู่ไม่ได้เพราะว่าเราเผอก็ไม่ได้เลยเผอไปเป็นหายเลยอย่างเงี้ยเราอยู่ไม่ได้ อันนี้ว่าถึงความชั่วที่นำไปสู่อบายภูมิก็คือทุจริตสามกายะทุจริตวจีทุจริต ม, ม, มโนทุจริตนี่คือทางไปสู่อบายภูมิอบายภูมิก็มีอยู่จริงพระเจ้าตรัสยืนยันไว้ในพระไตรปิฎก แน่นอนความเป็นปเปรดเพ็นสุรกายสัตดิ拉萨 ส, สัตนาลกแน่นอนเลยต้องได้ไปแน่นอนนี่แหละแต่คนไม่รู้จักว่าบาปให้ผลเป็นทุกข์ให้ผลเดือดร้อนจึงกล้าทำในสิ่งที่ชั่วช้าเร็วสามกล้าประพฤตินในสิ่งที่ ไม่ดีงามต่างๆจึงไปสู่ใบายาพูมอย่างไม่ต้องสงสัยเลยให้ทำเข้าไปเถอะทำเข้าไปทำชั่วนี่อทำเข้าไปมันไม่ขี่เกียนสูบยามาหรอกเขาว่าอย่างนี้มันไม่ขี่เกียนมาเว่ า, ม, ามันไม่นั่งเฟียนมาสูบบุหรี่มาด้วย ะมันไม่มันไม่ขับมันไม่ขี่เกียรสูบบุหรีมาด้วยหรอกเขาไปอย่างงี้เขาไม่กลัวไม่กลัวบาปกินเหล้าเมาเบียเนี่คือเหมือนกันมันก็เป็นบาปเหมือนว่าดีสิมันเดือดร้อนแล้วครอบครัวอเดือดร้อนเงินทองเดือดร้อน อะไรต่างๆสารพัดเพราะฉะนั้นมีแต่ทางที่จะไปชั่วทั้งนั้นแหละคนประพฤติชั่วย่อมไปสู่ภูมิบันชั่วไม่ไปสู่ภูมิอันดีงามไม่ได้ไปสวรรค์ถ้าใครทำชั่วในมนุษย์ก็เดือดร้อนตั้งแต่เป็นมนุษย์ดูนี่แหละจนถึงตกนรกจริงๆเศษบาเศษกรรมที่เป็น ที่ทำบาป พ, พ้นจากนรกแล้วก็มาเป็นสัตว์ดิบสารอย่างละห้าร้อยห้าร้อยเป็นช้างเป็นมา้าเป็นวัวเป็นควายอย่างละห้าร้อยห้าร้อยชาตินั่นนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆคนไม่เชื่อบาปไม่เชื่อว่าบาปมีไม่เชื่อว่าบุญมีบุญคือสิ่งที่เราทำลงไปเนี่ย มันมีอยู่ให้ผลเป็นความสุขไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ไปสู่พรมาโลกไปสู่นิพพาน น, นถ้าเราทำดีนะเรารักษาศีลเราก็ไปสวรรค์เได้ไปสวรรค์ถ้ารักษาศีลถ้าได้นั่งสมาธิด้วยยิ่งได้ไป ยิ่งได้ไปจิตจะสงบเยือกเย็นสบายนั่นแหะจิตของผู้ที่ไปสวรรค์เปอย่างนั้นะเย็นสบายไม่เดือดร้อนไม่กระวนกระวายเวลาใกล้ตายก็ไม่ไม่ตายแบบลืมสติยังมีสติดีอยู่ ออกทางพุทธโธออกทางลมหายใจกำหนดรู้ลมหายใจไว้จิตก็วางวับตายเลยพอจิตวางกายนี้ก็วางอย่างง่ายง่ายวางวับกายก็ตัดขาดจากกันเลยจิตก็ขาดจากกายกายก็เป็นศพเป็นผีเป็นอะไรนี่เป็นย่างนั้น ทำให้คนชั่วนี่ตกสู่ภูมิันต่ำมากมายเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ไม่เป็นหรอกเพราะว่ามีสมาธิคนที่มีกิจเป็นสมาธิตายแล้วไปสู่สวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ได้ไปสวรรก็ได้ หรือไปสูงก่อสวรรค์ก็คือพรหมโลกหรือปฏิบัติได้ทมบรรลุเป็นพระนาคามีก็ได้ไปสู่สุทาวาสพรหมโลกห้าชั้นอวิหาตะปาสุาสัตสีกนิธาไปสู่พรหมโลกชั้นนี้ถ้าได้อนาคามีถ้าไม่ได้อนาคามีก็เป็นพรหมโลกธรรมดา วกติบั ร, รรมจิตสงบเป็นสมาธิเป็นฌานก็ได้ไปสู่พรมโลกชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ถึงที่สิบนาน่อั น, น, นั น, นแล้วแล้วก็ที่เป็นอรูปพรมอีกเป็นอรูปพมก็มีสี่ชั้นรวมแล้วเป็นผม รวมจิตลงไปต่างใจใแน่วแน่คนเรานั้นน่ะที่ไปสู่ไบยภูมิมันมีมากไปสู่ไบยภูมิโคตัวหนึ่งมีเขาอยู่สองเขาเขาทั้งสองนั้น มีเท่านั้นแหละไม่มีเขาที่สามหรอกมีสองเขาคนน่มีเยอะวันนี้ทั่วตัวเลยคนคนเยอะนับร้อยเป็นพันไม่ได้มันมากมากจริงๆอ่ามันมากจริงๆจะนับเป็นร้อยเป็นพันไม่ได้พรามันเยอะ คนไปสู่สุขติภูมิหมายก็ไปสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์นหรือไปสวรรค์ไปพรมโลกไปนิพพานนี่มีเท่ากับเขาโคเนี่ยสองเขาแค่นี้มีเท่านี้ที่ไปสู่สุขติคือที่ดีที่ไปดี หนึ่งาเป็นมนุษย์สองเป็นเทวดาสามเป็นอินเป็นผมเขานี้ผ่านมีสองเขาเท่านั้นเองมีเท่ากับเขาโคนะมันหายากคนที่ไปสู่อาวายภูมนะิน่ะมันเท่ากับขนโคนะ่ะขนโคมากน้อยขนาดไหนขนโคนะ่ะ มากน้อยแค่ไหนมันมากจริงๆคนที่จะคิดทำความดีน่มีน้อยคนคิดจะทำความชั่วมีมากมนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละมันเปรียบกับเขาโคลหรือขนโคขนโคน่มันมากไม่ใช่มำไมเปรียบเทียบนะพระพุทธเจ้าพระพสง์เปรียบเทียบไว้นะ แต่ว่าเอามาเล่าให้ฟังมันปานนั้นจริงๆนี่คนที่ไปสู่อาบายภมิเป็นอย่างนี้แหละไปสู่ภพอันต่ำไปสู่ภพอันเลวร้ส่วนผู้ไปพบสู่ที่ดีมีมนุษย์และภพวสวรรค์เป็นปต้นอันนี้แค่สองเขาเท่านั้นเอง น่นาสรุจสังเวลคนเกิดขึ้นมาแล้ะไปตกต่ำไปอยู่ในโพมันชั่วลายนี่มากเหลือเกินคิดว่าเทศตลอดชีวิตคงเอาไม่หมดหรอกพวกนี้มันเยอะเอาอยากเราจะเทศให้ปฏิบัติทรรมนั่นนี่ก็คงจะลำบากคงเป็นไปไม่ได้ที่ยเป็นดอกวัวประเภทสี่แล้วกันดอกบัวประเภทหนึ่งนี่ ต้องแสงว่าอาทิตย์กับบานเลยประเภทสองคือเสมอน้ำบันดาต่อไปก็โผล่ขึ้นกับบานส่วนประเภทที่สามนี่อยู่กลางน้ำอีกต่อไปก็ได้ได้เบิกบานส่วนประเภทที่สี่อยู่ใต้น้ำบัวใต้น้ำาต่มาว่ามันน่าจะมีรากบัวด้วยนะ มันมากกว่าบัวใต้น้ำอีกหลากบัวเนเห็นเขาต้มมาถวายพระอยู่ เ, เขาต้มหลากบัวนในอำเภอท่านอยูุ่่นนครสวรรค์ท่านมาเยี่ยมมาตมาที่ไรก็เอาเอาหลากบัวที่เขาใส่ผสมกับน้ำตาลอะนะ มาถวายอาตมาคิดได้รลโอ้หลากบัวมันเยอะนะนี่แหละหลากบัวมันเยอะจริงๆริงนะนี่เราจะเป็นประเภทไหนเราต้องเป็นประเภทบัวพนน้ำไม่ใช่บัวใต้น้ำหรือก็ไม่ใช่หลากบัว เพราะยังมีศรัทธายังมีการให้ทานยังมีการรักษาศีลยังมีการปฏิบัติธรรมอยู่นั่นเรามีอยู่เราปฏิบัติธรรมอยู่เราทําความดีอยู่เรามีมากมีผลอยู่เราจะไปสู่วิยาภู ม, มิไหมไม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปไปแต่ภูมิที่ดีๆเพราะเราทําสิ่งที่ดีแต่มันก็น้อยอะเปรียบเทียบกับ ส่วนมากแล้วในโลกนี่ในแผ่นปฐพีอันนี้มันไปทางต่ำเราอันมากเราก็ไม่ได้ไปว่าเขาหรอกว่าเขาไปทางต่ำทางสูงอะไรแต่เราเปรียบเทียบให้ฟังเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาแสดงให้ฟังให้ได้ข้อคิดว่าคนที่ไปสู่ภูมิชั่วเนี่ยมากมายเหลือเกินคนที่ไปสู่ภูมิมันเลวร้ายนี่มากมายเหลือเกินเดือดร้อนมากเป็นทุกข์มาก ขับแค้นมากโอ้ยสารบัตนี่แหละให้พิารณาดูถ้าเราทำความดีอย่างนี้ทุกวันทุกวันเราจะไปสู่อ บ, บายยพภูมิได้ยังไงเพราะเราทําความดีจนสูงส่งตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วกิจใจล้วก็พ้นจากอบายยพภูมิเหล่านี้แล้ว ไม่ทำความช่วยอีกแล้วคิดก็ไม่ช่วพูดก็ไม่ชั่วทําก็ไม่ช่วมันจะไปสู่ไบายภูมิได้ยังไงมันไปไม่ได้มันต้องไปสู่สุคติภูมิคือมนุษย์เทวดาเป็นตน้นนี่แหละไปสู่ไบายภูมิมันทุกยากขนาดไหนมันทุกสิ้นสุดแหละแต่เราก็เปรียบไม่ได้เพราะว่ามันเราไม่ได้ยังไม่ได้ไปเห็นแน่นอนละแต่ถ้าเราดูในภูมิมนุษย์นี่ถ้าคน ชั่วมันก็หากินทางชั่วเผืพฤ่งทางชั่วทำชั่วไว้สารพัดอย่างอืมความเดือดร้อนก็มีมากมายเราก็พอใจเห็นดีหรอกแต่เราก็ไม่ไปหาโทษไปชี้โทษใครหรอกเราก็พูดของเราไปอย่างนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้รู้ว่าความชั่วนั้นให้ผลเป็นทุกข์ความดีให้ผลเป็นสุขเรามาเกิดในโลกนี้เกิดต้องการ ความสุขมาสร้างบุญสร้างกุศลมาทำความดีมาสร้างวาลมีมาสร้างบาาุญสร้างกรมดีให้กับตัวเองเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่ถ้าเราตายจากมนุษย์เราจะไปไหนแล้วก็ไปสู่คติภูมิมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปพมทธโลกก็ได้ไปนิพพานก็ได้ถ้าเราปฏิบัติ จนกิเลสของเราไม่มีในใจแล้วเราก็ได้ความสุขอันเหนือชั้นเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างขอยพิจารณาดูพระพุทธเจ้าตัดสอนไว้แล้วนะทางไปสู่ความชั่วเนี่ยตัดสอนไว้แล้วสองพันรกว่าปีมาแล้วใครทําเข้าก็เดือดร้อนทุกคนเดือดร้อนในเป็นมนุษย์เดือดร้อนในความเป็น เทพเทวดาไม่ได้ไม่ได้ไปอย่างนั้นไม่ได้มนุษย์ไม่ได้ไปเทวดามิจะไปนั้นโลกนคนชั่วเป็นอย่างนั้นทคนชั่วแล้วก็ทำชั่วทำชั่วก็ไปสู่ภูมิวันต่ำเดือดร้อนสารพัดอย่างถ้าทำดีความสุขความเจริญความดีงามทั้งหลายก็เกิดขึ้นแก่เราถ้าพ่อแม่ท้าทำดี โรคเต่าก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกเห็นตัวอย่างคือพ่อแม่แต่พ่อกินเหล้ามเมาแออยู่บอกลูกวอย่า ก, กินเหล้านะ อ, อย่า ก, กินเหล้านะถึงเจ้าของก็กินเหล้าอยู่จะไปบอกลูกมันจะเชื่อฟังได้ยังไงเพราะเราไม่ได้สะพืดเป็นตัวอย่างเราไม่ได้ทําเป็นตัวอย่างแก่ลูกอ่ไม่ได้ทําเป็นตัวอย่างแก่ลูก แล้วจะให้ลูกนี่เอาตัวอย่างจากใครมันก็เถ็นเรากินอ้กูก็ลองดูกับพ่อนะเธอแก้วเจาจอกนั่นใส่เข้าไปจอกหนึ่งสองจอกอหน้าแดงรเบนี่นั่นเป็นยังไง่ะเบานี่ลูกชายมันก็ได้ตัวอย่างนะอย่างตัวอย่างทางไม่ดี ในที่สุดก็เป็นขี้เมาเหมือนเดิกับพ่อแหละพ่อพาเมาแม่พาเมานั่นบางคนไม่อย่างนั้นนะเออเอาเหล้ามาขวดหนึ่งก็มาดองยาสมดองยาตาตะขาห้าตัวดองยา เลาดองก็เอาให้ผัวอล้รกินพ่อกินซะหน่อยดองยายาดองครงแรกก็กินยาดองอยู่กินไปกินมาอ้าวมันหมดเหยาดองกินหลายครั้งเข้ า, ขามันหายยาดองไม่ไหวแล้วอา้าวไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องดองก็ได้เอามาเลยเนี่ขาวนี้ไม่ต้องดองแล้ว กินกินสดสดได้หลืปลนี่นั่นมันติดใช่ไหมล่ะแล้วก็ติดเลยสิไม่ได้กินอยู่ไม่ได้ละือเปลนี่เ้ยเอาก่อนจะกินข้าวเอามาสักเพยกหนึ่งเนี่ยอามาก็ยกินกินแล้วก็กินข้าวี้ลูกเต้ามันเห็นตัวอย่างเนี่ย ตาทาอย่างนี้ลูกก็ต้องทาเพราะพ่อทำอย่างนี้ลูกก็ทำอย่างนี้ตามหลานเห็นตาทาเหมือนกัหลานก็เอาตามบ้างในที่สุดครอบครัวนะั้นก็กินเราหมดทุกคนครั้งแรกเริ่มดองยาต่อมาไม่ดองแล้วนี่ไม่ดอกไม่ดองก็ได้ไม่ดองก็ได้ไดอไดเอามาเลยเอามาเลยเนี่ยยินเข้าไป ในที่สุดก็าตายไปก็เดือดร้อนเป็นมนุษย์อยู่ก็เมาแยคนไม่เคยร้องเพลงก็ร้องเพลงนิดนี่หมูเพื่อนใช่โยหิวให้ความรู้ความเรียนสูแต่ว่า การกระทำมันไม่สูงตา ม, มนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละพูดให้ฟังทางไปสู่สวรรค์ก็มีทางไปสู่นรกก็มีสิ่งที่จะให้ไปนรกเรียกว่าทุจริตสามกายะทุจริตมโนทุจริต วจีทุจริตนั่นกายกุสติตรวจีทุจริตมโนทุจริตนั่นกายกรรมสามวจีกจรรมสี่มโนกรรมสามที่ถูกเป็นอย่างงี้มันอยู่ที่ไหนหลานอันเนี้ยกายกรรมวจีกรมกกรมมโนกรรมเนี่ยมันอยู่ที่อื่นหรือว่ามันอยู่มันมีบ้านมีเรือนอยู่มันมาเข้ามาหาเราอย่างนั้นหรือยัไง มันอยู่กับใจเรานี่เอมันอยู่กับตัวเรานี่เองเราปลพืชอย่างนี้มันก็เป็นทุจริตมันก็ชั่วอย่างนี้ถ้าเราปลพืชชั่วปลพืชผิดมันก็ไปตามเหมือนใจนั่นแหละใจนั่นแหละเป็นตัวพาเป็นพาไปอืไม่รู้จักโทษของไม่รู้จักโทษบาปอากุศลความดีความชั่วไม่รู้จัก ก็เลยต่ำลงต่ำลงเคยมีเงินมีทอ ง, ทองก็ไม่มีเลยนี่คอยอดจากยากจิตใจก็เศร้าหมองหน้าตาก็เศร้าหมองเพราะอะไรเพราะอำนาจแห่งกรรมชั่วเข้าให้ผลนั่นมันไม่ดีทั้งลูกทั้งแม่ทั้งพ่อทั้ง ครอบครัวระวังกันเถอะถ้าพตดทุดจริตทั้งหมดไว้ใจกันไม่ได้เลยในครอบครัวนั้นถ้าเป็นเมืองหรือเป็นตำบลตำบล น, นั้นก็ใช่ไม่ได้ถ้าเป็นอำเภออำเภอนั้นก็ใช่ไม่ได้ถ้าเป็นทั้งประเทศประเทศนั้นก็ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้เลยถ้าพูดทุดจริตกันแล้วไม่มี สิ่งไหนที่จะอยู่ได้ที่ไหนที่จะอยู่ไม่มีที่อยู่ได้อืมข่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติมิาศาจานท์มันมีอยู่ที่ไหนที่นั้นอยู่ไม่ได้เลยเอาแค่ลักทรัพย์ก็ลองดูเผอไม่ได้เนี่ยลักเอาเลยเนี่ยใครก็เป็นอย่างนั้นหมดประพฤติการอย่างนั้นหมดไม่มีใคร กลัวบาปกลัวกรรมแหละไม่มีใครกลัวโทษกลัวภัยละท่า น, นแหละการที่ประพฤติไม่ดีนี่มันก็เป็นตัวอย่างไม่ดีให้ลูกเต้าของเราเห็นถ้าเราประพฤติดีกทำดีลูกเต้าของเราก็เอาเป็นตัวอย่างก็เป็นครอบครัวที่ดี ครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวที่มีศีลธรรมมีธรรมะประจําใจครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวอริยะครอบครัวประเสริฐครอบครัวที่ไม่กินเหล้าเมาเบียครอบครัวที่ไม่ฆ่าสัตว์รักษาประพฤติมิจาจารย์ครอบครัวที่ไม่โกหกไม่พูดคําหยาบ ไม่พูดเหลียวไหลไม่พูดเพลจรอนี่แหละไม่คิดนึกในทางชั่วมีแต่จะเจริญอยู่ท่าเดียวไม่ว่าครอบครัวนั้นถ้ามีศีลมีธรรมมีความประพฤติดีแล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เป็นความดีมากสำหรับครอบครัวนั้นดีไปถึงครอบครัวอื่นด้วย แต่ถ้าครอบครัวไหนเป็นคนประพฤติผิ ด, ผดไม่เรียบร้อยไม่ดีไม่งามมันก็ต่ำแซมลงไปเรื่อยๆเลยลูกก็ต่ำแซมหลานก็ต่ำแซมตกต่ำมดทุกคนถ้าทำความชั่วพระพุทธยาพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นพระอรหันตัดสอนไว้เพื่อโลกให้โลกละ จากกรรมชั่วกรรมบาปกรรมที่เป็นอกุศลกรรมที่ไปให้ ต, ตกนรกนี่แหละนรกมันล ก, ลก็มีกิ่งอยู่ถ้าทำผิดไปเพราะมันก็เดือดร้อนในนโลกโลกิจของเราตกต่ำแล้วในคอร์สของเราันแล้วคนหนึ่งกินเหล้าประจําเลยกินมาตั้งแต่นอนแต่ยังนมเลยตอนนี้ก็แก่แล้วก็เสียอายุราชการแล้วออ กินเล้ากินพอมาไปที่วัาทำก็อยู่ไม่ได้เลยร้อนรนโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ไปสารพัดในที่สุดก็ไม่อยู่ปฏิบัติเลยพอปฏิบัติจบคอดกลับมาฆระอาตมาโอ้ยโยมเอ้ย จิตมันไปนรกแล้วอาตมาจะดึงขึ้นสวรรค์จะดึงยังไงจะดึงมาเป็นมนุษย์จะบปไดยังไงเพราะกิตมันอยู่ในอบายาภูมิแล้วกิตมันชั่วแล้วมันเดือดร้อนแล้วแก้ไม่ได้แล้วอาตมาไม่พอที่จะแก้ต้องรอพุทธิเจ้าองค์ต่อไปสาวกของพุทธิเจ้าองค์นี้ไม่สามารถผุดเอาได้แล้วอดรอพุทธิเจ้าองค์จะต่อไปดล ท่านจะปูดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเรายังไป่นพดจากนรกนั่นนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละพูดง่ายๆว่าผู้ที่ประพฤติทุจริตย่อมไปสู่ไบยภูมิผู้ประพฤติสุจริตย่อมไปสู่สุขติภูมิถ้าเราอยากไป ทุกขติภูมิก็ให้ทำบาปให้มากๆถ้าอยากไปสุ ข, ขติภูมิก็ให้ทำดีมากๆนี่แหละแสดงให้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนนิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพาน